พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเหมกะนิพพานบทอันไม่แปรผันเป็นเครื่องกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในปีรูปทั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินได้รับรู้และได้รู้ในโลกนี้คำว่าที่ได้เห็นในคำว่าที่ได้เห็นได้ยินได้รับรู้และได้รู้ในโลกนี้ได้แก่ได้เห็นทางตา คำว่าได้ยินได้แก่ได้ยินทางหูคำว่าได้รับรู้ได้แก่ได้รับรู้คือดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นสัมผัสทางกายคำว่าและได้รู้ได้แก่ได้รู้ธรรมารมทางใจรวมความว่าที่ได้เห็นได้ยินได้รับรู้และได้รู้ในโลกนี้ว่าด้วยปิยรูปและสาธรูป คำว่าเหมกะในปิยรูปทั้งหลายอธิบายว่าก็อะไรเป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกจากขุเป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกโสตะประสาทหูคานะประสาทจมูกฉิวหาประสาทลิ้นกายประสาทกายมโนเป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกรูปเป็นปิยรูปเป็นสาธรูป เ <dad> e. สียงกลิ่นรสโผฏฐะธรรมรมเป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกจักผูวิญญาณเป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกโสตะวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกจักผูสัมผัสเป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกโสตะสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัส กายสัมผัสมโนสัมผัสเป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเวทนาที่เกิดจากพาณะสัมผัสเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นปิยรูปเป็นสาตรูปในโลก รูปสัญญาเป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกสัทธาสัญญาคันธสัญญารัศฐสัญญาโพธภะสัญญาธรรมสัญญาเป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกรูปสัญญเจตนาเป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกสัทธาสัญญเจตนาคันธสัญญเจตนารัศฐสัญญเจตนาโพธภะสัญญเจตนาธรรมสัญญเจตนา เ ป, galaxies, เป็นปียรูปเป็นสาธรูปในโลกรูปปัตนหาเป็นปียรูปเป็นสาธรูปในโลกสัทธตันหาขันธตันหารสะตันหาโพธพะตันหาธรรมะตันหาเป็นปียรูปเป็นสาธรูปในโลกรูปปวิตกเป็นปียรูปเป็นสาธรูปในโลกสัทธวิตกขันธวิตกรสะวิตกโพธพะวิตกธรรมวิตก เป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกรูปวิจารณ์เป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกสาธวิจารณ์คันทวิจารณ์รสะวิจารณ์โพธพะวิจารณ์ธรรมวิจารณ์เป็นปิยรูปเป็นสาธรูปในโลกรวมความว่าในปิยรูปทั้งหลายคําว่าเหมกะเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพรามนั้นโดยชื่อ คำว่าความกำหนัดด้วยอำนาความพอใจในคำว่าเป็นเครื่องกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจอธิบายว่าความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ความกำหนัดด้วยอำนาความใคร่ความทยานอยากด้วยอำนาจความใคร่ความเยื่อใหญ่ด้วยอำนาจความใคร่ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่ความสยบด้วยอำนาจความใคร่ความติดใจด้วยอำนาจความใคร่ วงน้ำคือความใคร่กิเลสเครื่องประกอบคือความใคร่กิเลสเครื่องยึดมั่นคือความใคร่กิเลสเครื่องกั้นจิตคือความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ในการมทั้งหลายคำว่าเป็นเครื่องกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจได้แก่เป็นเครื่องละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจเข้าไปสงบความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจสลัดทิ้งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ ระ ง, งับความกำหนัดเื้อมหน้าความพอใจคืออมตะนิพพานรวมความว่าเป็นเครื่องกำจัดความกำหนัดด้วยหน้าความพอใจคำว่านิพพานบทอันไม่แปรผันอธิบายว่านิพพานาบททางนิพพานคือตานบททางปกป้องเลณาบททางหลีกเร้นปรายานบททางไปสู่จุดหมายอภยะบททางไม่มีภัย คำว่าอันไม่แปรผันได้แก่เที่ยงมั่นคงแน่แท้มีความไม่แปรผันไปเป็นธรรมดารวมความว่านิพพานาบทันไม่แปรผันด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าเฮ hey, มะกะนิพพานบทันไม่แปรผันเป็นเครื่องกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาความพอใจในปิยรูปทั้งหลายที่ได้เห็นได้ยิน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 ขามตันหาที่ชื่อว่าวิจัติกาในโลกได้แล้วคําว่านั้นในคําว่าชนเหล่าใดผู้มีสติรู้นิพพานนั้นแล้วได้แก่อมตะนิพพานอันเป็นธรรมระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่ฉลาดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่คลายกาหนับเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทคําว่ารู้แล้วได้แก่รู้แล้ ว, ลวคือทราบแล้ว เทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทำให้กระจางแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วได้แก่รู้แล้วคือทราบแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทำให้กระจางแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตารู้แล้วทราบแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทาให้กระจางแล้ว ทำให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคําว่าเหล่าใดได้แก่พระอรหันตขีนาศคําว่าผู้มีสติได้แก่ผู้มีสติด้วยเหตุสีอย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติไม่เจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกายพระอรหันตขีนาศเหล่านั้น พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติรวมความว่าชนเหล่าใดผู้มีสติรู้นิพพานนั้นแล้วคำว่าเห็นธรรมในคำว่าเห็นธรรมดับกิเลสได้แล้วอธิบายว่าผู้เห็นธรรมคือผู้รู้ธรรมผู้เทียบเคียงธรรมผู้พิจารณาธรรมผู้รู้แจ้งธรรมผู้เห็นแจ้งธรรมได้แก่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 ชื่อว่าดับกิเลสได้แล้วเพราะเป็นผู้ทําให้โทสะดับแล้วชื่อว่าดับกิเลสได้แล้วเพราะเป็นผู้ทําให้โมหะดับแล้วชื่อว่าดับกิเลสได้แล้วเพราะเป็นผู้ทําให้โกรธอุปนาหะอกุชลาภิสังขารทุกประเภทดับแล้วรวมความว่าเห็นธรรมดับกิเลสได้แล้วคําว่าเป็นผู้สงบในคําว่าชนเหล่านั้นเป็นผู้สงบทุกเมื่อ อธิบายว่าชื่อว่าเป็นผู้สงบเพราะสงบราคะชื่อว่าเป็นผู้สงบเพราะสงบโทสะชื่อว่าเป็นผู้สงบเพราะสงบโมหะคือสงบแล้วเข้าไปสงบแล้วสงบเย็นแล้วดับได้แล้วระงับได้แล้วเพราะสงบระงับสงบเย็นเผาดับปราจากสงบระงับโกทะอุปนาหะอกุศลภิสังขารทุกประเภทแล้ว รวมความว่าเป็นผู้สงบคําว่าเหล่านั้นได้แก่พระอรหันตขีนาศคําว่าทุกเมื่ออธิบายว่าทุกเมื่อคือในการทุกเมื่อตลอดการทั้งปวงตลอดการเป็นนิจตลอดการยั่งยืนตลอดการต่อเนื่องกันตลอดการสืบเนื่องกันตลอดการติดต่อกันตลอดการเป็นลําดับ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 ชนเหล่านั้นเป็นผู้สงบทุกเมือ่อคำว่าข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสัทธิกาในโลกได้แล้วอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าวิสัทิกาคือความกำหนับความกำหนัดนักอภิชาอคุศลมูลเคลโลภะคาว่าวิสัทิกาอธิบายว่าตัณหาชื่อว่าวิสัทิกาเพราะมีความหมายว่ายอย่างไร ไปขยายไปฉะนั้นจึงชื่อว่าวิสัทธิกาคําว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกอายตนะโลกคําว่าเป็นผู้ข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสัทธกาในโลกได้แล้วอธิบายว่าตัณหาที่ชื่อว่าวิสัทธิกาในโลกพระอรหันตขีนาศเป็นผู้ข้ามคือข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงก้าวพ้น รวมพ้นตัญหาชื่อว่าวิสัิกาในโลกแล้วรวมความว่าเป็นผู้ข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสัิกาในโลกได้แล้วด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าชนเหล่าใดผู้มีสติรู้นิพพานนั้นแล้วเห็นธรรมดับกิเลสได้แล้วชนเหล่านั้นเป็นผู้สงบทุกเมื่อข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสักาในโลกได้แล้ว พร้อมกับการจบคาถาเหมะกะมานกโดยประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเป็นาศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกเหมะกะมานวะปัญหานิเทศที่แปดจบ โตทยะมานวะปัญหานิเทศว่าด้วยปัญหาของโตเทยะมานุปท่านโตเทยะทูลถามดังนี้กามทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใดตัณหาไม่มีแก่บุคคลใดและบุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้ววิโมกของบุคคล น, นั้นเป็นเช่นไรคําว่าการทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใดอธิบายว่าการทั้งหลายย่อมไม่อยู่ เพอไม่อยู่ร่วมไม่อยู่อาัยไม่อยู่ครองในบุคคลใดรวมความว่าการทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใดคำว่าดังนี้ในคำว่าท่านโตเทยะทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิคำว่าดังนี้นี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคำว่าท่านเป็นคำกล่าว้วยความรักเป็นคำกล่าวโดวยความเคารพ คำว่าท่านนี้เป็นคำกล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงคำว่าโตเทยะเป็นชื่อของพราหมณ์นั้นชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าท่านโตเทยะทูลถามดังนี้คำว่าตัณหาไม่มีแก่บุคคลใดอธิบายว่าตัณหาไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้แก่บุคคลใดได้แก่ตัณหาอันผู้ใดละได้แล้ว ทำให้ส ง, งบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่าตัณหาไม่มีแก่บุคคลใดคำว่าและบุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้วอธิบายว่าผู้ใดข้ามคือข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นความสงสัยได้แล้วรวมความว่า และบุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้วคำว่าวิโมกของบุคคล น, นั้นเป็นเช่นไรอธิบายว่าพราหมณ์ทูลถามวิโมกว่าวิโมกของเขาเป็นเช่นไรคือมีสันฐานอย่างไรมีประการอย่างไรเปรียบได้กับอะไรที่บุคคลพึงปรารถนารวมความว่าวิโมกของบุคคล น, นั้นเป็นเช่นไรด้วยเหตุนั้นพราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่า ท่านโตเทยะทูลถามดังนี้กกรมทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใดปัญหาไม่มีแก่บุคคลใดและบุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้ววิโมกข์ของบุคคลนั้นเป็นเช่นไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโตเทยะ กามทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใดตัณหาไม่มีแก่บุคคลใดและบุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้ววิโมกเฉินของบุคคลนั้นย่อมไม่มีคำว่าใดในคำว่ากามทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใดได้แก่ในบุคคลใดคือพระอรหันตขีนาโพคำว่ากามได้แก่กามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุแาม สกิเลสกรรมเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกรรมเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกรรมคําว่าไม่อยู่อธิบายว่าการมทั้งหลายย่อมไม่อยู่คือไม่อยู่ร่วมไม่อยู่อาศัยไม่อยู่ครองในบุคคลใดรวมความว่าการมทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใดคําว่าโตเทยะในคําว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโตเทยะ เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียบเรมณ์นั้นโดยชื่อคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจการัญญัิรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโตเทยะคำว่าตัญหาในคำว่าตันหาไม่มีแก่บุคคลใดได้แก่รูปตัญหาสัทตันหา ัตัหารัสะตันห า, หาโพธพาตันหาธรัมรมตันหาคำว่าบุคคลใดได้แก่พระอระหันตขีนาศคำว่าตันหาไม่มีแก่บุคคลใดอธิบายว่าตันหาไม่มีไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้แก่บุคคลใดได้แก่ตันหาอันบุคคลใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้ว ระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่าตั้นหาไม่มีแก่บุคคลใดคาว่าและบุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้วอธิบายว่าวิจิกิจฉาตรัสเรียกว่าความสงสัยได้แก่ความสงสัยในทุกความหวัดวันแห่งจิตความติดขัดในใจคาว่าบุคคลใดได้แก่ พระอระหันตขีนาสุขคำว่าและบุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้วอธิบายว่าบุคคลใดข้ามคือข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นความสงสัยได้แล้วรวมความว่าและบุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้วคำว่าวิโมกอื่นของบุคคลนั้นย่อมไม่มีอธิบายว่า บุคคลผู้หลุดพ้นแล้วนั้นพึงหลุดพ้นด้วยวิโมกใดวิโมกอื่นจากนั้นของบุคคล น, นั้นย่อมไม่มีเพราะบุคคล น, นั้นได้ทำกิจที่ควรทำด้วยวิโมกเสร็จแล้วรวมความว่าวิโมกอื่นของบุคคล น, นั้นย่อมไม่มีด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโตเธยะการทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใด ตันหาไม่มีแก่บุคคลใดและบุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้ววิโมกอื่นของบุคคลนั้นย่อมไม่มีท่านโตเทยะทูลถามว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความหวงังหรือว่ายังหวังอยู่บุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญา หรือว่ายังมีความดำริด้วยปัญญาข้าแต่พระองค์ผู้จักกะข้าพระองค์จะพึงรู้จักพระมุนีได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันต์จากขุขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดคําว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความหวังหรือว่ายังหวังอยู่อธิบายว่าบุคคลนั้นไม่มีตัณหาหรือว่ายังมีตัณหาอยู่ คือหวังต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังในรูปเสียงกลิ่นรสโพธภพะตระกูลคณะอาวาสลาบยศสันเสริญสุขจีวรบินดบาตเซนาสนะและคีลานปัจใจเภสับริขารกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกามภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการภพจตุโวการภพปัญจโวการภพอดีตอนาคตปัจจุบันรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโรภตาภะที่ได้รับรู้และธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งรวมความว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความหวังหรือว่ายังหวังอยู่คำว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญา ในคำว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาหรือว่ายังมีความดาริด้วยปัญญาได้แก่บัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสคาว่าหรือว่ายังมีความดำริด้วยปัญญาอธิบายว่าหรือว่ายังดำริถึงตันหาหรือทิฏฐิเพื่อให้ความดาริถึงตันหาหรือทิฏฐิเปิด ให้เกิดขึ้นให้บังเกิดให้บังเกิดขึ้นด้วยยาในสมาบัติ8ปยาในอภิญญาห้าหรือมิจฉายานรวมความว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาหรือว่ายังมีความดำริด้วยปัญญาว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้สักกะคำว่าฆ่าแต่พระองค์ผู้สักกะในคำว่าข่าแต่พระองค์ผู้สักกะ ข้าพระองค์จะพึงรู้จักพระมุนีได้อย่างไรอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคผู้สักกะเสด็จออกผนหนวจากสักยะตรกูลจึงชื่อว่าผู้สักกะอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงมั่งคั่งทรงมีทรัพยากมีทรัพย์จึงชื่อว่าผู้สักกะพระองค์ทรงมีทรัพย์เหล่านี้คือทรัพย์คือสัทตาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอตตปะ ซับคือสุตตะซับคือจาคะซับคือปัญญาซับคือสติปฐานซับคือสัมมาปทานซับคืออิทธิบาทซับคืออินรีซับคือภะละซับคือผูชงซับคือมักซับคือผลซับคือนิพพานพระผู้มีพระภาคสรมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีทรัพย์ด้วยทรัพย์ที่เป็นรัตนะหลายอย่างเหล่านี้จึงชื่อว่าผู้สักกะ อีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงสามารถคือทรงองอาจอาจหารมีความสามารถกล้ากล้าหารก้าวหน้าไม่ขาดไม่หวาเสียวไม่สะดุง้งไม่หนีทรงละภัยและความหวากลัวได้แล้วหมดความขนพองสยองกล้าวจึงชื่อว่าผู้ศักกะคาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ศักกะข้าพระองค์จะพึงรู้จักพระมุนีได้อย่างไร อธิบายว่าข้าแต่พระองค์ผู้สักกะข้าพระองค์พึงรู้คือพึงรู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดพระมุนีได้อย่างไรรวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้สักกะข้าพระองค์จะพึงรู้จักพระมุนีได้อย่างไรคำว่านั้นในคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตะจักขุ <P an> ขอพระองค์โปรดตรัส บ, บอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดอธิบายว่าปัญหาที่ข้าพระองค์ทูลถามที่ข้าพระองค์ทูลขอที่ข้าพระองค์ทูลอัญเชิญที่ข้าพระองค์ทูลให้ทรงประกาศ ค, คำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นให้แจ่มแจ้งอธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัส บ, บอกคือแสดงบัญญัติกาหนดเปิดเผยจำแนก ทำให้ง่ายประกาศคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีสมัตะจกักขุอธิบายว่าพระสัพพัญยุตยานตรัสเรียกว่าสมัตะจกักขุเพราะเหตุนั้นพระตถาคตชื่อว่าผู้มีสมัตะจกักขุรวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีสมัตะจกักขุขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจมแจ้งด้วยเถิดด้วยเหตุนั้น พราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความหวังหรือว่ายังหวังอยู่บุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาหรือว่ายังมีความดำริด้วยปัญญาข้าแต่พระองค์ผู้ศักดะข้าพระองค์จะเพิ่งรู้จักพระมุนีได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้มีสมรระจากขุขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแต่ข้าพระองค์ให้แจ่มแจ้งด้วยเถิด ผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความหวังทั้งไม่หวังบุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาแต่ไม่มีความดำริด้วยปัญญาโตเทยะเธอจงรู้จักบุคคลผู้ไม่มีเครื่องกังวลผู้ไม่คล้องในกามและพบว่าเป็นมุนีอย่างนี้คําว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความหวังทั้งไม่หวังอธิบายว่าบุคคลนั้นไม่มีตัณหา ทั้งไม่มีตัณหาไม่หวังเคอไม่ต้องการไม่ยินดีไม่ปรารถนาไม่มุ่งหมายไม่มุ่งหวังในรูปในเสียงในกลิ่นในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโภธภะที่ได้รับรู้และธรรมารมที่พึงรู้แจ้งรวมความว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความหวังทั้งไม่หวังคำว่าผู้มีปัญญาในคาว่า บุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาแต่ไม่มีความดำริด้วยปัญญาได้แก่บัณฑิตมีปัญญาคือมีปัญญาเครื่องตัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสคำว่าแต่ไม่มีความดำริด้วยปัญญาอธิบายว่าไม่ดำริถึงตัณหาหรือทิฏฐิด้วยญาณในสมาบัติ8อภิญญาห้าหรือมิจฉายาน คือไม่ให้ความดำริถึงตันหาหรือทิฏฐิเกิดไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดขึ้นรวมความว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาแต่ไม่มีความดำริด้วยปัญญาคำว่าโตเทยะเธอจงรู้จักว่าเป็นมูนีอย่างนี้อธิบายว่าคำว่ามูนีอธิบายว่ า, ว า, า, ย, วายานท่านเรียกว่าโมนะ บุคคลก้าร่วงกิเลสเครื่องข้องและตัณหาดุจตาขายได้แล้วชื่อว่ามุนีคำว่าโตเทยะเธอจงรู้จักว่าเป็นมุนีอย่างนี้อธิบายว่าโตเทยะเธอจงรู้เธอจงรู้เฉพาะรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดว่าเป็นมุนีอย่างนี้รวมความว่าโตเทยะเธอจงรู้จักว่าเป็นมุนีอย่างนี้ คำว่าเครื่องกังวลในคําว่าบุคคลผู้ไม่มีเครื่องกังวลผู้มีข้องในกามและพบได้แก่เครื่องกังวลคือราคะเครื่องกังวลคือโทสะเครื่องกังวลคือโมหะเครื่องกังวลคือมานะเครื่องกังวลคือทิฏฐิเครื่องกังวลคือกิเลสเครื่องกังวลเหล่านี้ผู้ใดละได้แล้วคือตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วผู้นั้นตรัสเรียกว่าบุคคลผู้ไม่มีเครื่องกังวลคําว่าเนกามและภพอธิบายว่าคําว่ากลามได้แก่กลามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุกลามสองกิเลสกลามเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกลาม เหล่านี้เรียกว่ากิเลสกรามคำว่าพบเด็กแก่พบสองคือหนึ่งกรามภพสองพบใหม่อันมีในปฏิสนธินี้ชื่อว่าพบใหม่อันมีในปฏิสนธิคำว่าบุคคลผู้ไม่มีเครื่องกังวลผู้ไม่ค้องในกรามและพบอธิบายว่าบุคคลผู้ไม่มีเครื่องกังวลไม่ค้องเพอไม่เกดเติกไม่เกี่ยวพันไม่พัวพัน ออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องในกามและพบมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าบุคคลผู้ไม่มีเครื่องกังวลผู้ไม่ข้องในกามและพบด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีความหวังทั้งไม่หวังบุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาแต่ไม่มีความดําริด้วยปัญญาโตเทยะ เธอจงรู้จักบุคคลผู้ไม่มีเครื่องกังวลผู้ไม่ค้องในกามและพบว่าเป็นมุนีอย่างนี้พร้อมกับการจบคาถาโตเทยะมานพโดยประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกโตเทยะมานวะปัญหานิเทศที่ก้าจบ กลับปะมาณวะปัญหานิเทศว่าด้วยปัญหาของกลับปะมานพท่านกลับปะมานพทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกขอพระองค์โปรดตรัสบอกที่พึ่งของเหล่าสัตว์ผู้ดำรงอยู่ท่้มกลางสะผู้ถูกชราและมะจุราชครอบงำในขณะเกิดท่วงน้ำอันเป็นมหันตภัยอันหนึ่งขอพระองค์โปรดตรัสบอกที่พึ่ง โดยวิธีที่ทุกนี้จะไม่พึงมีแก่ข้าพระองค์อีกว่าด้วยสังสารวัตรคำว่าเหล่าสัตว์ผู้ดำรงอยู่ท้ำกลางสะอธิบายว่าสงสารตรัสเรียกว่าสะคือการมาการไปการไปและการมาความตายคติพบน้อยพบใหญ่จุติอุบัติความเกิดความดับชาติชรามรณะ ที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสารไม่ปรากฏที่สุดเบื้องปลายก็ไม่ปรากฏเราสัตว์ผู้ดำรงอยู่แล้วคือดำรงมั่นแล้วติดแล้วติดแน่นแล้วติดพันแล้วติดใจแล้วในสงสารอันเป็นถ้ำกลางที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสารไม่ปรากฏอย่างไรคือวัตตะเป็นไปแล้วสิ้นชาติเท่านี้ผลจากนั้นย่อมไม่เป็นไป เพราะเหตุน <unlucky>. ั้นที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสารจึงไม่มีที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสารจึงไม่ปรากฏอย่างนี้บ้างวัตตะเป็นไปแล้วร้อยชาติเท่านี้พ้นจากนั้นย่อมไม่เป็นไปเพราะเหตุนั้นที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสารจึงไม่มีที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสารจึงไม่ปรากฏอย่างนี้บ้างวัตตะเป็นไปแล้วพันชาติเท่านี้พ้นจากนั้นย่อมไม่เป็นไป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 เพราะเหตุนั้นที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสารจึงไม่มีที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสารจึงไม่ปรากฏอย่างนี้บ้างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสงสาร น, นี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแกเหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไป ภิกษุทั้งหลายเราสั่วเสวยทุกข์เสวยความยากลําบากเสวยความพี่นาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกําหนัดควรหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงฉะนั้นที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสารจึงไม่ปรากฏอย่างนี้บ้างที่สุดเบื้องปลายแห่งสงสารไม่ปรากฏอย่างไร เือวัตตะจาเป็นไปสิ้นชาติเท่านี้พ้นจากนั้นจากไม่เป็นไปเพราะเหตุนั้นที่สุดเบื้องปลายแห่งสงสารจึงไม่มีที่สุดเบื้องปลายแห่งสงสารจึงไม่ปรากฏอย่างนี้บ้างวัตะจากเป็นไปสิ้นร้อยชาติเท่านี้พันชาติเท่านี้แสนชาติเท่านี้โกชาติเท่านี้ร้อยโกชาติเท่านี้พันโกชาติเท่านี้แสนโกชาติเท่านี้ ป, en, ป, Guardian, en, snacks, i, quantum, ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีเท่านี้แสนปีเท่านี้โกรปีเท่านี้ร้อยโกรปีเท่านี้พันโกรปีเท่านี้แสนโกรปีเท่านี้กรับเท่านี้ร้อยกรับเท่านี้พันกรับเท่านี้แสนกรับเท่านี้โกรกรับเท่านี้ร้อยโกรกรับเท่านี้พันโกรกรับเท่านี้แสนโกรกรับเท่านี้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 รวมความว่าเราสาัตผู้ดำรงอยู่ท่ามกลางศักดิคว่าดังนี้ในคำว่าท่านกับตะทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิคาว่าดังนี้นี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคาว่าท่านเป็นคำกล่าวด้วยความรักเป็นคำกล่าว้วยความเคารพคำว่าท่านนี้เป็นคำกล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรง คำว่ากลับปะเป็นชื่อของพราหมณ์นั้นชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าท่านกลับปะทูลถามดังนี้คำว่าในขณะเกิดห้วงน้ําอันเป็นมหันตภัยอธิบายว่าในขณะห้วงน้ําคือกามห้วงน้ําคือภพห้วงน้ําคือทิฏฐิห้วงน้ํา ค, คืออวิชาเกิดคือเกิดขึ้นบังเกิดบังเกิดขึ้นปรากฏคำว่า อันเป็นมหันตภัยได้แก่ชาติภัยภัยที่เกิดเพราะอาศัยชาติชราภัยภัยที่เกิดเพราะอาศัยชราพยาธิภัยภัยที่เกิดเพราะความเจ็บป่วยมรณภัยภัยที่เกิดเพราะมรณะรวมความว่าในขณะเกิดห่วงน้ําอันเป็นมหันตภัยคําว่าผู้ถูกชราและมัจุราชครอบงําอธิบายว่า ผู้ถูกชะาถูกต้องครอบงำคือกลุ่มรุมห้อมล้อมผู้ถูกมรณะจับต้องครอบงำกลุ่มรุมห้อมล้อ ม, อมได้แก่ผู้ไปตามชาติชราติดตามพญาทิครอบงำมรณะย่ำยีไม่มีที่ปกป้องไม่มีที่หลีกเร้นไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาัสรวมความว่าผู้ถูกชรลาและมัจุราชครอบงำ คำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ขอพระองค์โปรดตรัสบอกที่พึ่งอธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศที่พึ่งคือที่ปกป้องที่หลีกเร้นที่พึ่งคติจุดหมายคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุตุเป็นคำกล่าวด้วยความรักเป็นคำกล่าวโดวยความเคารพ คำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกนี้เป็นคำกล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงรวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกขอพระองค์โปรดต ร, รัสบอกที่พึ่งคำว่าพระองค์ในคำว่าอันหนึง่งขอพระองค์โปรดตรัสบอกที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าเป็นคำที่พราหม์เรียกพระผู้มีพระภาคคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกที่พึ่งอธิบายว่า ขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจำแน่ทําให้ง่ายประกาศที่พึ่งคือที่ปกป้องที่หลีกเร้นที่ระลึกคติจุดหมายรวมความว่าอันหนึ่งขอพระองค์โปรดตรัสบอกที่พึ่งแก่ข้าพระองค์คําว่าโดยวิธีที่ทุกนี้จะไม่พึงมีอีกอธิบายว่าโดยวิธีที่ทุกนี้พึงดับ เพือพึงเข้าไปสงบพึงถึงความสิ้นสุดระ ง, งับในชาตินี้เองคือทุกอันมีในปฏิสนธิไม่พึงบังเกิดอีกได้แก่ไม่เกิดไม่เกิดขึ้นไม่บังเกิดไม่บังเกิดขึ้นในกลามาธาตรูปธาตรูปธาตรูามาภบรูปมพอบรูปมพสัญญาภพอาสัญญาภเนวสัญญานาสัญญาภเอกโวการภ จตุโวการภพปัญจะวการภพคติใหม่อุบัติปฏิสนธิภพสงสารหรือวัตตะคือพึงดับเข้าไปสงบถึงความสิ้นสุดระงับในชาตินี้แหละรวมความว่าโดยวิธีที่ทุกนี้จะไม่พึงมีอีกด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าท่านกลับปะทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุก